พุทโธแก้ปัญหาพุทโธ ร, รับรองดึงสุขสิทธไมีสมาธิดีแต่สติไม่พัฒนาจิต ท, ท่านจะไม่พัฒนาจิต ท, ท่านจะไม่เละเลอะเลอะเริ่มอาแก้ปัญหาอกมาทำมาสิตผันสาพุทเขยยเข้าทวยเขยออ ก, ก, ออกแต่ดีสมาธิสำหรับสาหรับเรียนไสยศาสต ร, ร์เพื่อจะเรียนไสยศาสต ร, ร์เรียนเวกมนต์โดนตะกาถาก็ดีแต่แก้ปัญหาพุทไม่ได้เพฝากรู้แตแก้ปัญหาพุมไม่ได้เพราะประสบมาเอง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 ใครไปด่าไปอะไรเนี่ยเอาเอา่ลำโพงมาไอคอนไอพวกไม้มาตีตีกัอนี่จะจะยืดโลติสัตบ้านในวางไว้วาใจแต่นายกที่รัฐบาลก็ได้ตีตีของน้องน้องทำได้เออยืดโลติสมาแล้กี่โลติกจะยืดนะหรือแจกได้รัฐบาลไม่หวไงเห็นไหม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 สร้างไว้ทมการไม่มีใครจะไปอยู่แต่มีคนจองหมดแล้วเพื่อหตุใดแต่มาทำการพาณิชก็ขายไม่ได้คนผู้คนไม่มีทำไมขายได้หมดเพื่อเหเห็นหนาเห็นหนาบอกแหละบอกจดย์จเขาไวเ้เช่นี่แต่ปัญหาเหละเราเดินไปเจอไปหัวยินบอกเขาสร้างโรงแรมเขาไว้เดี๋ยวนี้จะขายสี่ร้อยล้านกระดับไมว่าวมันจะตาง ก็่อย่าลืมนะตัวหัยินเนี่ยอันนี้ไม่ใช่พู น, นอกเรื่องนี่ยเห็นหนอนนะหัวหยินเนี่ ย, ยครจะขายกี่ล้านคอยบอกขายมีคนซื้อหมดปัญหาม่เาเงนซือไม่ขายเอาสแค่ ง, งานเดียวนิดเดียวเขาจะซื้อบอกเท่าไรด้วยแปดล้านแปดล้านคอยขายขายแปดล้านก็ซื้อสิบล้านก็ซื้อเอาไงไมีดูกลมหนึ่งห้าสิบคอบวเพื่อ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 แต่โยมคนดี่รงท่าน่าที่สามกติีมากตรวจมน็นหมดบอกอันซือไม่ออกเลยแต่จำแม่นปัญญาดีพรี่มี้ก็ตีดีันี่มาจำอะไรแม่นดีสามารถจะถาธิบายได้โดย้อแงมีปัญหาอยู่อย่างนี้ดังนั้นขอจเจริญทรว่าการอเยนาท่าอินทร์ที่คุณแม่ได้อธิบายแล้วนั่นอยากเป็นการแก้ปัญหาทงนั้นไม่ไปแก้คนที่หลับหูหลับตาพูดโธ ก็มาละหางแก่ดายอยู่ก้นซีคงไม่ดัก็จะมาปฏิบัติงานหาจ้างก็เป็นมัดหมดกลี้ยงกาไม่รู้สั่งสมหาเหวอะไรเมี่ยเท่านี้ไม่แอ้ทําไม่ดีก็ว่าทำดีก็ว่าเอายังไเอายังไงวันที่แค่าทดีก็โดนว่าก็โสดรถเงิใครจะว่าดีว่าชั่วไงก็ลงตัดทนิ่งได้จาง ฉันทนได้จ้ะฉันรอได้จ้ะฉันชาได้จ้ะฉันก็ต้องดิได้จ้ะทนต่อไปใช่ไหมเนี่ยมีตำราอ่ะได้ตำราที่ดีเลยคนมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้คนบอกว่าไอ้พืมา้งมันก็ในนี้ที่ไหนเขาสาเาส้างเเชื่อลยเไปงานอันนี้สงมาแลยโยมมางานอนสมาเลยจะคนที่ว่าเราท้องเดินเลยทองเดินเลยี ให้เรียนกึงก็เรียกมาบอกก็ได้ไม่มาซะเลยอมาอยู่ไม่บอกไม่เพลียแล้วบอกยอมเรารู้นี่มินทาเรายอมกานดีไหมดีครับดีก็เหนื่อยแต่เวลาลัหลังบาบาแหมก็เพลียนีพูดคำยาเพี้ยนี่เห็นมเนี่ยเวลาต่อหน้าบอกดีเป็นพ่อจ้างกันเเวลาลัหลังเราปัดการหาเหอะไรนี่นี่จะตามเพี้วนกนยะ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 เช่นข้านากระตกันาแต่ไอพันธุนาก็ตืได้ไหนาบาดบหไม่ได้เะเขายสเที่เึ้าวต้งที่ายจังสะดวกพระที่ตานห้องเวทจะกูดูเห็นสขกอาปลกหนีเป็นอบัตไห้ยป็อบัตทอดหแต่ถราเดีวนี้ทไมอย่ารักษอบัตบออบเบอร์ินได้สไรนั่นไงเป็นยังไงก่ออนีพูดเล่นะอย่าเอาเป็นจริงจังพูดเลนยมีไหนบอกมาชัด เน่เขาอาจะโยมด้วยเลยก็สะดวกดีมันมีความสบายอาตมาไม่อยากจะพาโยมผู้หญิงไปไหนในสมัยก่อนไรวัดไหนก็ใส่ยุตเจซะอึ ก, เ, อ ก, อกเนี่ยเห็นหมเนี่ยทำไมต้องสร้าง ท, ที่เมืองเดี๋ยวโยมจะทำมือกันมาว่าไม่นาาห้เลี้ยงไปที่เมืองเมื่อก่อนนี้สมัยสามสิบตีโนดมีงานศรลีลากันมากและเกินทอดท่าที่เมเืองไปสุด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 แล้วหาว่าผืหมอถื่อบอกผือจหดุไม่ใช่ปลาไฟฟ้ามือปลาไฟฟ้ามืออย่าลงนะใครอย่าลงไปอาบน้ำเสี่ยอันตรายถึงน้ำเต้มก็อย่าลงปลาไฟฟ้ามือไม่มาถูกเพือ่อใครละกันหมดเลยนะน้ำแค่นียาตาบางคือลยอย้มลงไปก็มูกไม่ลงไปกร น, า, นาก็ไม่ไม่ตายเลยใคาก็อย่าอย่าลงน้อาบน้ำามดที่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 ขออนันใโมทนาจารุ ก, การขออังอืน่นคุณนาถิรณาใจบุญกุศลทั้งหลายจะได้ประโยชนจากประธานทองให้ญาติโยม ป, ปฏิบัติธรรมได้สมบูรณ์ตามเป้าหมายการปฏรรรรรริปัตญาณทั้งตนจุดแต่ปั้และขอเงาะงาในคำสั่งมาปฏิบัติในหน้าที่ทุกประการและขอจงเจริญด้วยอายุวันหน้าปีขาพละปฏิพานศาสนาสมบัติเมตถึกอึ่นประการไายสมความมุ่งมาดศาสนาด้วยการทุกรูปทุกนามน่าโอกาสบัดนี้เทม ขอจเจริญพรขอจเจริญพรคุยนแ่ปรีเตงไทยแวดขั้นนายกรัฐมนตรีาการสมาคมนแห่งประเทศไทยเนะี่เนยเพเรียนราสคุตธรรมและคณะพนักานทุกท่านณสถานที่การาสิทธรรมภาวนาในวันนี้ขอจเจริญพรบรรดาญาติพี่น้องพุทธบุัร ลูกโยคีทังหลายของคุณแม่ในวันนี้รอมเพลียนกันนะโอกาสแบบนี้วันนี้จะมาด้มยโอกาสมาขอชี้แจงแสดงสังข้อพอได้ใจความสงวนเวลาในที่สมาคามนีเพื่อให้ดุกเกณฑ์พ่อหนึ่งจะมาถามแก้ปัญหาเ้วยเนี่อสองจะมาถานแก้กัรเรียอองาารยอองา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 จะฉับเพาอ ร, ร้องถามไปจะขึ้นสึกจิตลงเฉพาะเดือนมษกาในวันนี้นั้นก็จะเท้าเห ย, ยียบหญ้ายืดตัวนาฬิกาพื่อนที่จะพาต่อไปก็วิกาถาสัปดาหเห็นวิกาถาบุ า, าในการจะบิเพึงติดสนใหญ่ยิ่งก็วันนี้จะเริ่มเริ่มเท้าแห่งสัปดาวิก า, าถาเป็นการจะน้องประโยช ป, ป ะ, ปะุประการโยต่อพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งอีประการหนึ่งด้วย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 มีจุดมา่หมายของบารมีขั้โยคีไม่ใช่โยคีแต่วิริยะคือบารมีวิริยะบารมีนี่มันชั้นปัดถอมของคนเ้าสุวัดแต่ธรรมโยคีโยคะไม่ละลดละอาวนาคือเพียงโค้งไอ้ตัวท่างผูใดต้องกลายจางความดูทั้งนอกทางในทางจิตทางขอบคิในชีิตนิยมีถัดมีกิจกรรมอย่างลมกขึ้งขอเจริญพรอย่างนั้น ขอฝากไวด้วยไม่ใช่มาสร้างความเสียเกลื่อนถ้าท่านทั้งหลายไม่มีบุญวัสนาจะไม่นําพามาสู่ที่นื้ของรายการยุคจักรสมาภรณแห่งกสิทธะบนส่องกุศลก็ช่วยท่านถึงคราวมวยในมวยมลนาถึงคราวมาก็มาด้วยบินวัฒนามาคนที่ไล่ค่าขาดบุญวัฒนาก็จะไม่มีเวลาว่า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 ผู้บำเพ็ญเพี้ยนสูอนองอ้ายบำเพ็ญเพี้ยนสูงนี่หมายความว่ายากสิเลิดห้ายเป็นเกิดเหิถอนจะกลัามาพูดไว้วันต้อนแล้วบอกว่าโยมมาใช้ชีวิตจริงอยู่ที่บ้านจอมปลอมหลอกลวงล่อหลอหลอกเรียงลางสมองก็มากมายแต่ไม่ใช่ติดใช้ชีวิตจริงอย่างเดียวใช้พี่สูตรความ ถ, ถูกต้องทั้องอรมณ์ยอมเดียอย่างที่คุณโยอมแม่เดียสอนลาศ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 เรียกกรรมาฐานแก้ปัญหาแล้วก็ลึกเก็จะลงไปให้เหตุอ่อนถึงอดเหตุการจาการกระทําของตอนนี้เองก็จะเผลออกมาว่าแก้ตามได้ด้วยแก้อย่างไรนั้นขอให้ท่านติดตามฟัตงต่อไปมีปัญหาอยู่มากนิดหน่อยแต่เราพาไปคนอื่นมาแก้เรามันจะถูกกล้างหรือเราสร้างเวรสร้างกรรมไม่มากหลายให้คนอื่นมาเชื่อเรา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 แต่มาเคยไดที่สูจน์ลมียังมีหลายคนที่นั่นอย่างอื่นนะไม่ใช่ทองหนอยุหนอไม่ใช่กะติก็มือนะ่บงนี้มันใช้เดียดสบายกว่ามือที่นี้ขอฝากไว้ถ้าอย่างนั้นท่านจะไม่มีผลจผลยังนอนขอฝากไว้อันนี้มันก่อนตายท่องคนนี้คนดั้นบอกก็ยังไงไอ้พุทโยะอลังสุกพุทโถยตติโสภะวาก็ว่าไปไม่ได้เยก็เลยไม่ได้เลย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 แล้วก็ไปรับปากไทยไทยว่าไงก็รับปากเพื่อใครท่านจะเดือดร้อนกับไทยหลังเนี่ยนี่เอาง่ายง่ายอย่างนี้เหรอเอาง่ายงอย่างนี้ท่านจะเดือดร้อนเนี่ยกไทยหลังยังไงนอนรับปากไทยต้องยากต้องกาหนดก่อนกําหนดทิดหนอชิกหนอก่อนถ้ายากไหมทำอะไรให้ยากมันจะง่ายงไอทำง่ายง่ายอย่างจะได้อยากจะเดือดร้อนกับไทยหลังนี่ท่านจะไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้นี่แก้ปัญหาอยู่ที่ตัวยาก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 พอที่มีจะพบความสุขที่เนี่นอนชิดือ่ยแมเกิดเกิดตอนนี้มากระโดงกินข้าวกับเตือยกินข้าวกับหวยชัยโตมาเช่นคนจีนจะเชนหมอนลูกเดียวเสียือนเดียวมาไปนาเคียประเทศพายบัตรนีมีเงินเปพันล้านไปหมื่นล้านจะทำหมอนลูกเดียวเสเสืออนเดียวนี่ทำยากที่สุดอย่าเลยนะทำยากที่สุดแต่อย่าคิดอย่างง่ายๆขอเอาง่ายๆเดี๋วนี้คนชอบง่าอาจารย์ทีมาไปทำนี่นม่เอาง่าย หลวพ่อฮะ้ า, าไปนอนเห็นสวายไปนั่งห้านาทีก็ไปเลยอ่าเห็นพราพิจาร์อ้โหเห็นข้านอ น, นก็ลาห้านาทีมานั่งก็แม่คุณแม่เกลไม่เด็ดผล น, นี่พูดดีโบ ด, ดเลยอาตมาใส่เข้าไปเลยบอกโอโหเห็นเทวาดาแล้วโอโหใจสวรรค์แล้วแล้วอาตมาก็ดูเห็นหนอเห็นหนอยายคนนี้เกเจ็นเิดิดกจแล้วโลกกระเจาะ โลกทำคสมัยก็ยิ่งจะเยอะโดก็เยอะแล้วเกอนนี่ขอมาเขาด้นะมีเหตุผลขอในานการเจริญกัุบันฐานสื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างไรคือสมาพุทธไรนี่นะถึงวันนี้นะนการแก้ปัญหาประการใดโลม่จึงคือผู้เรีย น, นก่อนไอคอนโลจึงหายาไอคอนไอคอนโลมาเนี่ยนี่ไอโไอคนรูนลมานะไมา่ชอบมักง่ย า, กายมนะักได้เนียชอบเอาง่ายง่ายแต่ขอบอกอ้อแล้วก็ อพุธอโโหพระพระอาพระพุทธเจ้าลอยมาเนี่ยลอยมาเี่โอโหสวยโอ้ดฉันเนี่ยนึกว่าฉันเีป็นโาแล้วไปแม่ละหันในม่ทานี่นี่โลกนี้เป็เยอะเดี๋ยวนี่ทัวร์กระทั่วัดวัดไหนทานยากไม่ได้ต้องไปวัดง่ายงายโอ้ยยอมได้ทันั่งเลนั่งห้าวทีเนี่ยจะท้อเล็กเลยเนี่ยโอ้โห้ตกระดกเลยฟักเงินทำบุญไม่ฟัก แลอาจารย์ไปไหนไปาไปสวนไปเลยขอฝากเด้วยไงอฝากเด้วยไงนิ่งง่ายมากได้ไม่มีมากปากคนมีมากปากในเขามีสติชงนะสติชงเลยอันนี้ม่ตออธิบายมากปาเคุณยมอธิบายเนหรือคุณยมมายกอธิบายแล้วก็ได้มาากแต่มาพูดขอบทึกให้ชีิตของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเท่านั้นก็เป็นการเพิ่มอที่ถึงนี้ขอฝากห้ายหลยเดือ อันนี้มีความหมายมากคนเอาง่ายชอบไงเงีย้ยมันก็ได้ยากสิมือแลวของเอ้ง่าย